เ่ี่แม่ด อ, อกเป็นคนอื่นเออพี <c oughs> ๋ใส่เสียม่ดอกไม่ออกมาทำบุญ <c oughs> ทำท่านเนาะเออจักละ ไปไปถ่าชาาะลามาดิเออไปถ่าเอเอาเอาไปถ่าชะลากลับไปแต่ของว่าถ่าว่าวเมยเป็นั่งชะลาเดี๋ยวแล้วเธอพิงตนเชาล้มผัดช้อยๆหามันรับกับปุกเม่์นี่เด้อโอ้บอ เ, เป็นอย่างโยมเมยอตาตม า, าสีเบ่าสิปุกเอาหรอกขั้นไปรับอีดีกะเยสิไปนอนรับที่ห้ไปนั่งสามารถทีสวดมนต์เจ้าอยู่ทั้งฝุ่นตัเ น, นอ <S <S าะจ้าจ้าจ้าขั้นันโยมแม่ไปก่อนเด้อเออไปเด้อเด๋วธุลาสิน้ำหลังไปดอกโยมแม่ ออบัดนี้ยลาตัวมาเถืงสามีเนี้ยลาโย้ไปบังหนังไปฟังล้ําหลายกว่าหมาดอกฟังทีตามสังเกตลาเบิ่งแลเงินกระดดอกกว่ากัน สมหัวใจกระยุมนั้นอยากเอาล้ำมาเป็นเทศพ่ออยากให้ละมข่อยสามองนี่ละลุกขึ้นฟ้อนละทั้งจอนนั้นพาสวง เ yeah. ออแต่ว่าทางพระองค์ห้ามทางวีนัยเพลินกะว่าตั้งแต่อาจตามาไปเที่ยวหาดอกเทศแดนเดียวนี้นั่นเพลินกะสั่งจังสิขอบอกใบสากรหรือการดอกฟังธรรมน่ะ ลาบอคือลำกับเพิงกับต่างขันดอกคนฉันหมอลำนั้นสัมมาปีตังแต่เขานั่นสีว่าผู้มาค้าอยู่เรื่อยบัดใดเจ้านั่นสอบพระไทยพานั่นดือ้อเทศจังสั่นกับบอใดเทศดจังสี่กับอบอใดลาวันใดบอสมควรละบอสนใจยมดูละบอถูกหูโยมฟังจังคอยจ่าดอกทางจ่า ละอุปมาคือกันกับโยมทางไม่เผาเอาเป็นกีบพุ้นนละบุญก็คือปลูกเพืชใบลายมือก็ก็พนนะละคนเท่านี่มาฟังท้ำหูผัดเปี๊ยบัดพออกไม่ออกกำลังฟังพวกฉันดอกทศเลยละนังเฮ็ดหน้าเขาอยู่เพ่เวอุวยเลจจอง คือบตีขวางซอยไขลานีลามกะญงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ เออแล้วบาดนี้ฟังมวลวลาพี่น้องยุมพ่อเมนั่นทั้งลายเราผู้ใจหมายมาฟังทาเลอีสานในวันนี้มือนี่เจ้าหัวหลานจานสวีใช้ขอใครสีนํำเอาสิ่งทีดีดีมาฝากตอนกะยุมทาน สาธาท่านในมือนี่ให้ดีล่นนั่นคัวโซคนขวโซคนตอนนี้โซอซอคนตามเรื่องนิท่านทําก่าเถึงย้ายบุญมีหลับอยู่เสาศาลาหน่อยและถ้ายกใจกะก่อยเอือนแม่บุญมีสงสารนี่มาเหตุ์ยังอยู่นี่นำเจ้านั่นพระสองอ่งแล้วฉันก็เลยบอกจงงอ้ยมาหอดตั้งแต่นั้นหกโม ใจป้าสรงแนวได้ไฟฉันบ่จากหัว ปูบเบื้องดูลาตนเจ้าฉันบ่เอาหยาันเล่าดาล ะ, ละอุ้ยถ้าโยกกาบ่กาผ้ า, าไหวผ้าเียบรลอยสินหากาลาไปละเม่บุญมีหากบ่อใดสินน้าหมูย่อนนอนหลับหมูพันกับขึ้นเมื่อหอดเหวอนสั้นแล้วเหลือแต่ตนแกวย้ายบุญมีสงสารมีมาถ้าบุญมือนีสินหานอกกาบ่อใดพอล่านันบ่อบ่อปลาซอง อนะ่ะ นำไหลไหลหยาดฟงล่องเพื่นซาลาก็เลยจ่าทั้งปูกลดกแม่ย้อมแม่บุญมีเจ้าโอละวฝ้าไปหากินข่ากับเงินสั้นมันสี่ใบอ้อยเดียวนี่กสายมากแล้วยายเจ้าให้ล้วนเมื่อยาสีค่าแต่ยืดเยื้อแล้วลุกขึ้นเน้อย่านอนหลับมูเพื่อนกลับขึ้นเมื่อหอดเหือนสั้นแล้วมันพอปันกินแหวี่ยคันใดนี่ แต่ว่าละลูกลุกขึ้นเดือดยอ้มแย้ป่าดูคอยทาน่าชวนสันดอกนั้นละเมียละยายละเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อออเอ้ออเเ้อ ย่ยมแมเอ้ยจังดบ่าให้ขึ้นมะถาอยู่ซาลาดจังดมะอิงกุกเสาใหญ่เงเสียงเลียงอยู่ผู้นำรก็เหยพอนรโอ้ยสื่อเอแล้วเวิ้งซากวนดอกย่อมแม้ย่อมแม้ยมแม่วันเมื่อ้ยกซมยมานอนไหนนอนดีเทียนไปหิวอยู่หิวนอนมาแต่สายอ้า โยมแม่รับติหันหนาโอ้การรับสันตัวบ่หุงมาสมบว่าจากขอางรับนั่นอันบ่แล้วเนวาะแพ้สิหูจักมาจากขวางรับโอ้ย <TP> น้าลายเห้ยโยดโยดโยดสมบวเส็จนี่ยละโยมแม่เลยขน้าหมาขันนึงบ่วาแล้วบอกว่าจาขวาง่าปูกโยมแม่แน่ขนาอันผู้ใดสิกาปูกเจ้าโยมแม่เข้าก็ะยานเจ้าห้ยเจ้าล่าสันตัวเฮ้ยแพ้สิไปกะเบ้าวกาบ่าาด่าคนเนาะผู้นึงกำลังเขาชันจมาทีอยู่ สามารถที่จังไหนน้ำได้เฮ้ยคือบวมหัวเนี่ยโยดโยดลงพูนอ่ะเอ้าลูกลขึ้นมาโยมเมยมันใบายแ๋ยวตัเบิงตะเวียงตะเวนเบิงเวล่านี่เป็นอย่างมากินเข่ากินน้ำตะเวนใบแล้วกินแล้วกับมหาลูกหาเต่าเขาย่มเมย์เขาสีว่าจังไหนเมยไปจังไหนมาจังไหนเขาก็สีห่วงสันตัวว่าเป็นหยังดอกกินเบาสะบแบบยอะดอกอันก้อนสีเมือกให้ผู้ขาเบาน้าแน่อ้า อันสีเบ่าอีหยังมีอีหยังเดืองใจิตในใจเขาเอาเบิงก็นู้ล่ะมแม่เอ้ยอันคือเดียวนี่เออเดียวนี่ไปจ้งไหนเออเอจังเอาอีพอเขาขายเบ้าเนีอันนันานอนดก็สมัขอได้เส้นแล้วจ้งไหนบูล่ะเจ้าก็ได้ผู้คอยบหลั้วไม่ขออยนี่ันสีเาอยู่จ้งได้ขวกมาขวานคจังชื่อดอกผู้ขาจ้งไหนเบ่าอนนี่นั่นอีนางกาลังชีเปิดเทอรอผู้ขานั้นว่า <ไ>อยาก ไ, <ป S 2> าไม่รบกวนท่านมาหาว่าอยากให้ท่านมาหาช่วยให้นผู้ข่าเงินบาพา่พออันจะช่วยแน่วใดละเว่าเบื้องดูล่ะบ้าอยากให้ท่านมหาช่วยว่าอยากมายืมน้าท่านมาหาใ น, น, าานละไปช่วยให้อีนังมันได้เรียนหนังสือตอนนี้ผู้ข่าบ่มีเงินอืบ่าจยืมท้อก็เฉาเข้ากับบ่ท่านหาว่าอาทิตย์สี่ม้าในละเขาที่หออ ก็เลยบาสีมายืมทันมาหาก่อนพอได้ไปเสียค่าเทอมให้ลูกเช้าเบาจังเบาสีมายืมเงินไข่สันเม่จ้าเอาล่ะโยมเม่เอ้ยเจ้าก็เป็นเม่ออกขำวัดขำว่าฟักกะหักกะแพงเจ้าข่กสีพ่อซอยได้ยูดอกขั้นบันบวรวาไรแต่ว่าเจ้าเบาก็่ฟังก้อนเจ้าเสียเอาหน่อยเอาไรปันใดเบาเงี้ยวเงี้ย่ฟังเบิ้งควน้อนดูดได้เออกับสีนังฟังอยู่เนี่ยเอาเบาเบิ้งเบาเบิงโยมม่ ฟังบืงแพีนการไลออกุบายยางทวนเทียวฟ้าบังบุตรเมยายมีดวงพวงดีขึ้นนายอนสันกาดอกวัวไผ่พ่อเบื่อเงินนา ละความว่งที่ตั้งไว้สิ่สมดังกัใจหมายบอดีเบิงหลวดลายบทละครตอนแม่บุญมีเกี่ยวเบ้าคาเดี่ยวเป็นเงก่อนสะอ่อนโตเจ้าขวางนี่ละนี่ละปากแม่ยายมีกินพริกเกลือหยุดสู้มือคู่อําเบ้าแหงเนจียงละและยยมผู้ฟังให้นั่งนิ่งยาสะเบ้า ลายปัดเดียวมันสิบานปลายใกล้เกินเข้าดอกถึงบ้านนะและแต่เมื่อวันลูกสาวขายังมาเที่ยงเรื่องบ่อนแม่ล่ะสีผ้าโยมเม่ย์ในบา้มมญญบานโดนกลางเก็บพักแว่นไว้ถ้ากินเดือเมีป่าสิผ้าเจ้าตุ่ ม, มาหาง ละคอามตั้งมันนั่นนาใครอยากได้ตั้งเป็นแสนละแงนดูตัวขั้นเยืมหลายย่านบ่มีเงิอนเสีตั้เสินใจสิลองว่าเยืมมาหาสามเมื่นกว่า ย้อนว่าครูเขาบอกมาวางให้ยืมซ้ำนี่จังสิได้ดอกเรล่าเลียนว้าไปลายหยานแต่เขียนยยานมาเพยียนบอดถึงจวดเว้าไปมาบอมีสวดรวดไปถึงเจาเบิดเมืองะเฮื อ, อยยานเสียบอกขึ้นให้ขันสรงสซ็งให้เบ้าเบิงนะและแม่บุญบีเรือนใจถึง ยืมทอาได้คืนซำนันเสียทั้งตนพร้อมดอกป่าเ้าบลายดอกนาคุณมาหาธาสิซอยละเหือเสียให้ขาหน่อยซบันเบาต่อมาหาบอยเม่น่าดอกนาย่อนขอว่ามาไหลที บอนได้ดีบอนได้แข็งกับว่ามาตั้งหลายทางนะแะแต่กันยังอยู่เดียวนี่ยังบ่อไตคือพินบาและพ่อแม่เอ๋ยจังกะเฝ้าตอนหะน้ามหาทานพูดจะเลินนะ ละขานบ๊เสื้อสิยงให้เอิ้นแม่บุญมีปากสัมมาเจ๋อ แม่สียินยอมลาบ้าแมเนจริงคือความเบาแม่นี่เป็นคนเ่าบอตัวเป็นคือผู้อักนุ่มนะล่าสามมืนหาสีบอกให้โตกลุ้มคอรับร้องบอตองกลุ่มทางดันดอกเดืองเงินเอ็กบอกเกินเจ็ดบ้นแทสีเอามาดอกคืนล่องนะลาทางเงินตนได้ดอกเบี้ยสีขึืนให Nà, da pa so san đoạt nà là. n là nữ n g Ngô n ô n g Ngô Ngô n Ngô n งูเงือกนอนชาทุขันทุขาตัวทขาต้มก็ะโค้หปากเปอยปากโป้สมื่นเจมืเดจ้าเออเอาเอาะเอาละโยมเมย์บนมีมันสือโบหาบดีปานนตขันวานยืมเงินนันสมหม่นหมบโยมเมจ้า อันสามเมินหากะบปต้องซาบดซาบานปานนันดอกละโยมเม่เอ้ยโอ๊ยขั้นเอาปานนันขยันบัเชื่อโยมเม่นี่ยแหละขับ่วโยมเม่มาตัวมาตอมเจ้าก็เป็นเมวัดแมว่าอาตมากะนับถือผู้หนึ่งสี่เป็นยูโบเอาจังสี่สาเงื่อนสามเมินหานี่อาตมาก็มีซ้ำเนี่ยแะกะเงื่นวัดเงื่นว่านํำอาคาฟืนคาไฟกะยูนี่ได้ไม่ออกเจ้าเสีไปจักมือก่อนถามจะก่อนโยมเม่ั้นสหายจริงๆเนะ บ่าเอาไปดนดอกผู้ขาว่าสิเอาจักเจมือเจมือจ้าเงินทอก็เช่ออกผู้ขาก็ศีเอามาแทนดอกดอกโอ้เจ็มือเจวันเอาขั้นจะว่าเจมืออาตมาก็สิให้อยู่แต่ว่าดอกมันอาตมาก็สีบวกคิดเอาน้าดอกขั้นว่าเจมือดอกกับบ้าเอาว้าดือพอเจ้าสิอันจำความหมั่นสัญญยาไปเรื่อว่าเจมือจ้าอันเจว่าเจ็มือตาจะเกิดับมีมีอยู่คือว่านี้มาเบงข่อยเนี่ล่ะ เออกยิบมันหวาดหนังสือเจ้บวยตาตัวกันเนาะชางว่าสามเมือนหากหายบูดพอโรดอะนะสามเมือนหากอาจจะหายตามองตาผลพิฆเนเอ้วาก็เนียหนาจาคืออนไรแต่ว่ามันจะเป็นแจงดายนดีอยากเนี่ยนี่ละเพิ่อถ้ามนข้างคนจิตัวสิโกงสิดรับตามมีมีดอกว่ชจัิงข้าบรับตามีมีประสิกรมหนาว่าัมีสอย่างเหมอไปดอกผู้ข่าเขย่จักแล้วเนาะเจ้าบกหนาจะรับตาม่ีมนี่้จ้าเอาเมื่อจ้าก็ได้นาดเอาเอา ลมมันพัดตาผู้ขามานก็มีมีบฉันตัวเอาไปให้ดูสาวซัไปสามเมืองหาให้เขาดั่มเขาเียนทรงเขาซ่าาเขาไหลลด็ดีเนาะตกลงห้ผู้ขามัื้อตกลงสามมือหาเอาเลยชถูกมากพืนดเอาไปซักหอดเออหมื่นเจ็ดมื่นที่เจ็ดังมาทรงเออเจแมนเจแมนดีขอบบุญขอบคุณหลายๆเออท่านมหาเอ้ยแม่ไก่บบดดนกัด ต้มเงินผาฉัมาต้มง่ายต้มได้แต่พี่ยังยังขอสิญาตช้าบานบัดปัญญายของกระช้าบานมาแล้วไ่เห้ใครจ่ายช้าหมื่นหาโอ้ยผู้จักว่าเสี่องง่ายปนญญ์เอาแม่จักเฉินสักกใครเฮ้ยมาแล้วขกว่าจิมยากกันเมื่อหอเทือนขกว่าจิบว่ายืมเงินผาแล้วขกว่าจิตั้าแม่มันอีนาง่าขวเกเงินเฮีย แล้วแล้วคิเมียกนเมื่อได้เงินส5 0ห0้าดังตั้งใจแล้วก็ตรงแนวกลับบ้านของตนในความหวังที่วาดหวังไว้นั้นต้องถูกหวยคงจะรวยแน่ในคราวนี้เมื่อไปถึงบ้านแล้วก็ร้องเรียกลูกสาวออกไปว่าจันเดีย้ยี่จ <c oughs> ันเดียะเม มาตาบ้ามื่อนี่เจ้าขึ้นหาซื่นตาบานมาแต่แม่เจ้าได้โตดีมากบอกแม่เออีล่ะเอ้ยแหม่หัวโตดีตัวลูกนี่แหละผลฉินผลทานหลูกเออแม่มาบังอยู่ได้กัตาแม่นี่ีล่ะใส่แม่นี่อยกัตตานี่ยเนี่ยบ้ามากัตตาคุณแม่มาขึ้นไหลแต่แม่เจ้าไปได้เงินมาแต่ใส่แม่มาขึ้นไหลเทเออีล่ะ นี่หละพ้นชินพ้นท้าที่เขาคำบานคำว่าคำพ้าพาแเบกท่านมหาปินพ่านฉาบางหนึ่งในี่แม่บาดขาดจา้ามือพังเศษพังทามจำชิ้นจำพ้นแม่กับบักอัดนี่หละพ้นอานิสงแม่ไปจังหันเมือนี่กลับออกมามาหอดเคืองท้างจากได้จะ่าเก็บเงินเฮียแม่ มันแมงจิวะแมงเงินต่างหลวงต่างหลายปาในภายจิไปรเทที่อาเฮติอาเมวาไปั่วที่กระจังมาแมวาอยู่นี่ละจักปเะเทที่าจังไรก็รอดก็ดีอะเทอมันเป็นตาชิตนชาติเนาะเมื่อหอนเพื่อนสิบภรรยาบนยองถืนเอาตีนีนแม่วามันแมงจิวะล่ะแม่จะว่านันแม่เอากูชิโตะเพิ่งไปเห็ดยังกูเป็นแม่มึงกูชิโตะเพราะแม่งเจ้าไปยืมเขามาไปลักเขาม้าติป่านี่แม่เออยู่กูจไปยืมผู้ใดมาหน่าได้เลยขึ้นกูไพ้จะกล้าให้กูหันอีกจะอังเบาเถ ท่นไปยืมพันมากับตรงนี้ใบชันย้มชั้นยะใบอันฉโนดไปจำหนกจำน้องพันตัวพ่จังชื่อไแต่ว่าฉาหมื่นหาพันบ้านนี่แม่นี่เออเรามีเงินแล้ยวจังสี่เอาจังสี่สาว่อยว่าเอาจำไหนลูกล่ะทำมาท้ำบุญหาอีพอหาสาวพอห้าแต่ว่าท่านไหนท้ำบุญหาแล้วจักทื่อายุหยุดเดี๋ยวนี้เ <c oughs> มื่อจะใช้มาเบ้าเรื่องเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเดืองเฮ็ดบุญหาพอเมื่อหนันตายไปแล้วก็บมิจริลปันปล่อยเอียนลงตมโ ต, มตอบอับปอบนี่ก็ได้ โอ้ยแทนทีว่ามันฉีมะเขาวความฝันในกระดูกกับเมียอยู่จังใดกินจังไดบะมีจักที่อาเมียกีรีชิบหาชิพกวันที่หนึ่งที่ช่องกับกบะมะเขาความฟันกูเพอดีเห็มันตายอยู่หันละมจะฉับ บ, บ้าข้าเรื่องเหตุบุญหาพอมึงนั่นเห็นกระดูกพอมึงซื้อๆกูก็เสียงญสีบแล้ว ก็ด ม, มาเป่าถ้าทำบุญหาพอเ้าแล้วถาก็ดีมกดีใจสัายใบมุกทั้งใจตัวเมยเช้าเช้าเช้าเช้ามึจะใชไปเป่าเรื่องเทพบุญยาจะไปเป้าเด็ดขาดใช้สีมเหลาพีเหลานองเอนินพี่น้องคองตาไก่ไก่ปันไดก็เอนินมาอยากมากินช้นำน้ำนม้อนหอดาวดมากินหอดเทียนหอดฉันอ้แป๊ีกระทิงแดงมึงมาขวัดมึงหลายปันได้เสียหอดเอ็มร้อยหาฉี เพศกันนองหลายปันไดเมืองบาสามธรรมะทีงเสียหลายตัวอิปอบเมเพื่อ <c oughs> นมาซอยบุญเพื่อนมาเพื่อนก็นมาซอยพอซอยหมู้น้เาเฮาหยุดตัวเมีเช้าโลดมื่อจะฉมาเปลาวพวกมาซอยน่ะละด่วนแล้วแต่กระต า, มาหมันตาไผทั้งนั้นละข้าวให้กินหน่อยกับ่าเขากินหน่อยบลาเลี่ยงปลาสมปากสมทองปลาสมเงีนกูบริจาคพระบาเปิดบางซอซอยเราเช้าบาตูดกินสินขาดกับมเมืองอ่าวันนี้เมียจะเฉมาเป้า แม่บ้านได้เฮ็ดบุญได้กำไรจักเคือแม่นั่นลหละกูจังบ่ากูไ่อยากเฮ็ดนั่นมื่อเจ้าเมื่จะมาบเอาผ้ากูเฮ็ดบุญเฮ็ดทันทันเจ้าเ่าเฮ็ดบุญเลยจะเอาเงินไปยังแม่กูสชซื้อเลขโอยเออถ้านเจ้ากรขายหน้ามาซื้อรถสาธเทบระบุทธเทพะดากลายจักษให้เราถือเลขักท่ยาเดอเท่านี่เอา ออาวๆๆี่ดีมันคือปากหมาแต่เว้นแต่หันดีเฮ้ยอีศกโลกอีฉากละอีเฮ็ดลังหกอีเฮ็ดหลังโง่จังไรจังละกาศากาแทงกูหันดีมึงที่นี่ไปใช้กลับไปเด้อเดียวขวดน้ำกูบึงไปหนึ่งวมึงแตกกะกะเด้อมึงบ้ามึงมาแม่ยังนีไปจะงไรจังละกาศากาแฉงแม่มึงปั่นนี่หันดีแมอเขาได้ากได้แทงเขาเจ้าดอกแม่ เปล่าน้ำเจ้าน่ะุด่าเปลนเปลกแทน<ร>เป็นแกนฉันบริการเป็นกันเองเมื่อสิไปใชมันกานไปโรดมือย่ามามองหนักกูเพราะวัยย่น้าเจ้าที่ตัวช่วยอา้าวจังได้ก๊าดสาบ <c oughs> กัดแช่กงกูไปล็อกไปทงให้ทงนาไปหาเกี่ยวเขาคุนดอกเป้าน้าเจ้าหนังสุดว่าเป็นจากเธอคอยไปดอกนีไปใช้มืก่กาไปโรดเออเธอบนักกูมันแรง หลังจากนั้นยายบุญมีจึงนำเงินไปซื้อหวย4994จนหมดเลย แล้วก็มานั่งรอเวลาในวันเวลาหวยออกอยู่ที่บ้านของตนก็มีนากาละขังนั้นเลยสาธิตาปนาภายว่าจันดีผู้ลูกส<ม>าวตกเจ็นมาได้จากกาบทุ่งนา<ม><ม>ได้ยินเพื่อนบ้านกล่าวขานถึงเรื่องหวยคงสวยแน่แม่ของเราเลขนั้นเล่าออกเจ3ดหนึ่งสาแม่หนุงลามคงรู้ดีเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจึงพูดย่อเย้ยมารดาของตนออกไปว่าแม่ แม่มาคือข้างเสียงไม่มอยจันชันเป็นจังไหนล่ะช่างแรนกลุ่มคุ้ยช่วยบออะเจ้าวันนี้มองจะชิบ่าวมกเป็นนะมองแต่ละมาฉาบมาแชงกูเาแทนทีกูชิได้แ่ละสองหาจังไหนจังช่วยไปเป็นกูว่นนี้บ้าทีหนึ่งกูเสีเอาเบ้อบนอีกเบิ่ง เรื่องนั้กูจะไปย้อมแผลมันมื่นกูจิพาหลวงพ่อไปเอานำหลองท่อปูขาวนี่แหละเจ้าเจ้าสิเปียกเงินใส่หรอมาดซื้ออีกแม่ตอกหักเรื่องเงินเรื่องทองนั่นตอนต่กูเบ้าน้อยเดียวนี่กูตั้งได้ตั้สามมื่นกูเบ้าอีกสองมื่นชิบมีปัญหาจิเอ้กระตันก็ะเลี่ยวเต้เจ้าด้วยแม่คอยจะไปซอยการซอยงานคนกอนเออไปโรดมันจะไปใช้อยไปไปหาหลางถ้วยลลางจานซอยผุนงานกระดิ่เข้าผุนอ ไปวัดอีกอนอยู่บาดใหญ่บนานหันนีมาหาเอ้ยจากนั้นแม่บุญเมีก็ได้ไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งในดวงจิตคิดลำพึงบ้าจะต้มเงินพระมหาปิ่นเป็นครั้งที่สองเมื่อไปถึงแล้วก็นั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งจึงล้องเรียกมหาขึ้นไปว่ามหาเอ้ยอยาขัวมหา เออแม่มาเหอไปจบะมีแหงมีแหงเถอะันเนี่ยอันโยโยโยยอมมบอกจ้าเออมาอีหยังนรโย่อมมยบุมีเอยมาหยังอีกนาะละบาทีเนาะฮันนี่ไปแจงไหมาแจงไหนเป็นแังไหนอ้ยโย่หยังเกาเมือที่หกชเงินมาส่งสันบ่ยอมแมอันบ้อพอแจงไหนมันหกเหมือดมืนก็แมงเท่านั้นตัวะ จ้งางบาสิมายืมต่ออีก oh. เอาไปเที่ยวก่อนมันบ่อเพอบาสิมายืมอีกจักสองหมื่นเนเสิมา oh. ยืมจังไลยละเอาเอาเอาเอาเอาคูครับอะมันบ่พอให้มาเอาอีกสองหมื่นพานาวาเอาประเทศอีกย่างดวงดายไปเชี่ยค่าเทิมค้าเทิมมีอย่างชิโพดก็หลอกก็เหือที โอ้ยม <Ha? S 2> <Ba> ันสีเมีนบอโยมเมย์เพ oh. ิ قط, mother mother. <ago> uts, ่มคเทิย่างมันสีแพงแต่ว่ามันกสาจะเอาไปตัวจะเาไปเด็สื่อนีอื่นมบามันบ้าดต่ตัวดอกผู้ขากรไปนน้กันลวกันเอาม่ไดตตัวดอกยีนันตัวเป็นดอกยีนันนั่นอีก2องหมื่นจ้าโอ้ยขอบบ่มีสีไฮดอกโยมเมอืออีก2องหมื่นหนึ่งดอกรวบนะกับองเกลแ่ยวก็เป็นหาหมื่นหาระท่นพระแฉลดอกโอ้ยแต่3ามหมนหาน่งกับค่าหน่ำค่าไฟจอกกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเจ้าในใส่หน้เสื้อใจกมอบให้เจ้าโยโยมเม อันยเว่าถอยอมมยบมี่ดอกยอมเมยจะเสียมหาบ่ามหาบมีติบ่ด้มันเบิดถอนหนอมเมาจ้างชพงเอาจางไหนไปยืมดวงพอพักคูวัดบาดรอนกางให้ผู้ขาหาบ่าวเรากับงาไม่งั้นลำเหมืนเดือนสิไปหาจงไหนแล้วจิหาสื่อยากินกสิบมีอยู่บะมีจ้างไหนแล้วสื่อรถคีอยู่โอ้ยรถก็หยาดย่มซอยดอกน่นตัวน่อมันเป็นบาลมีผู้พ่ายนอกดอกมันบ่เป็นสาบตัวนี้ดอก อันยีบาจ้างสั่นตอกขหายนัตมาไปยืมเพิินกัิเป็นหนี้เป็นสินเจ้ายาศรีเบาน้าศิสร้างเอาปานเป็นเทพบรตรุเทวดาเทย์ในี่ยเศ้าเๆร้าบ่หาบัจจีบ่ดผุนไปหายืมนอันอันแม่ส้มพอนผนดวหวงตาผุนไปไปบ่ได้ดอกเรชกะทินพันธไม่มีเงินหดอกไหนบ่หาแม่บ้ามันบ่หายเด้มันบ่มีโยมแม่มันมีทวนันมันเบิร์ดทวนันจับขาสั่นมันก็บ่มีเลยไปไยาีเบาอยู่นี่บ่ห้ดอกอะพอบ่ได้ไมันบ่จบบ่งายนั่นล่ะเขาทาอะไรนั่นล่ะนี่ บ้าไหแม่นบาบ่ด้มันบ่มียเมยางว่าบ้าไห่เ้อเนาะบ้าไห่ก็บาเงิดนั่นบาเงดกับยาสดเบาที่ใช้ไปวปนีผู้นั่นผู้หนีที่น่องหือไปมีมองได้ปกับไปหาเอาโยเมยไปเพิงไปผาไปยืมทั้งเงินางไดตะกูแบบนี้ลบับบพระื่อวีล้วบบ มวนปัญญาแล้ยยายเทาได้เอางอยบ่คือก้กาววัาสิสมดัง เ, างเ้าตรงเป่าดอกดังมานักป ร, ราชมีมือพายความบังพายบ่ตรงจวดมันบส่สวดแล้วงยายมีเหลืองบาดบ้าในวันนี้นนะ เดี๋ยวบ้านเีสียงเห็นแท้บ่แค่หยัางส้ำเงิ้เเมือนส้ำจุดฟื้นให้ลูกใหม่ไฟบากขึ้นสมองฮะเสียความถูกต้องให้มันเปลี่ยนไปทางเสียและเบื่อหลายเฮ้อทางวัดพระบสมความเบื่นเสียด ได้ควงเข่าที่ตนหาวน้ำไปซองมาเสียได้หอดพิคโคเสียได้เกือประเดกพร้อมพักหนาทรงสุวรรณนะและแต้มมือนี้หอดมือนั้นมาอดดเบื่อกว่านิวใดใจว่าใจว่าถึงการสั่นเส้นลปานเป็นบานนะ ลาสามเมาสามเมาเหลาคมกว่าพักกระเดาเหม็นกว่าสากมานาวมาหาเออหนะสามเมือนหาต้องสูนเปล่าสาสตร์บอมีต้นขวาสัญญาชัยกระบอมีเออแล้วบัดเนี้ยละคำสาบานไว้แต่ ก, กี่ข่อยบ่ตื่นพ่อเม็ด บ่มีไผ่สิมาเห็ดให้ป่วยตายพ่อของังนะแม่ใหญ่เอ๋ยเรื่องสิดังอีลีนั้นคือมหานัลังโงบรมังโง เงินเลือขคองตัวอยู่บ่แผลเขามาล่อกกระเสื้อเขาละเทค้นปากซาบวาว่าค่อยกูเงินสงอ่ะละบ่อผาบงพ่อเม็ดหย่อนเห็ดมากระดดนแล้วไพสิติกกะตามแล้วแมีบุญมีบ่อสมิล่ะ นี่ทีนอคันแม่นยืมเป็นแสนแห่งสิดีกว่านี้เลื่องขึ้นให้ยาสิฟันเฮ้ยโอ้ยเงินที่ยืมไปนั้นมันจมอยูก่กับโตหวยเเขียนจากรวยทางลัดขัดมาผัดวยส า, ามละเสียใจดี ยาใจหลอนผีตาขอนมึงนี่บอกบอเนียละมันทำให้ฉันเปยยืมผู้นั่นยืมผู้นี่หลอดเป็นนีอยู่บ่อเส้นจับมันยัดใส่เบ้ายาสปอยเขาความฝันดีบ่โน้อเสียงนพันเงินแสนกัะเพาะผีหัวหลอนน ลาเลยตับสนสิเป็นบ้าเสียเข้ามาอยู่นำนำมาควงก็เอาไปจำน้ำจน่าหมดทุกสินจนเหลือสินตรงเดียว แม้ยังอยูย้น่และนจังเสีจังในเบียวเงินของพระที่ยืมมาเอามาเกินอัตราจังบ่มีปัญญาชฉยนะไพเสิทวงบ่มีให้ไพมาทมกระทมโลดไพเสิเอินข่อยว่าม้าขีขโมดขีห่หายก็ตามแล้วข่อยบอดจนละ สมัยนี่ยกไอ้พลกว่างกันอยู่ทั่วเมืองไทยผู้ที่ปัญญาใสกามังมีเงลานเรื่องบาปบุญบ่มียานมันบ่ข้านมาคือเตาซื้อพอดลายได้นั่งเจ้ายน่สิได้ก็ให้ฝ่าวีบเขาดอกใส่เมือ่อ ละโบรนบานว่าขั้นซื้อหลายสิต้้มไม่โบราณไขดอกบอกกาวมาหาเอ้ยส่วนวังเสามหมื่นหาสรุปแล้วคอยบอกคืนถ้ามาหาอยากลื้อเฟื่อนส่นไปเยือนที่อำเภอเสนอมาทั้งฉันแม่นบอ ก, กว่าพ่อหน่อย ไปสัญญากับขอบ่อยบ่มียังจักยางบ่มีทางว่าสิได้ขึ้นให้ดอกเรื่องเงินต่อไปนี่สิบ่เอิ้นหอดพรากคุ้นมาจัางว่าสิขอลาทางวัดก่อนหลันเดือตอนนี้นนั่นละ เอาแล้วบาทนี้สิขอลาทั้งวัดก่อนหลัง้อตอนนี้นะตาเส้นใจพอแห้งแล้วบ่มีแนวสิคิดต่อลาอนเดือลวงพาง ลาข้าลบตาเอ้ยจังคอยพอ่อเงินเจ้าพอมาโอหมาหาสันดอกนาหมาห่าเอ้ ย, อ ย, อย อเมื่อก่อนเด้อพระโเพื่นก็บวชขึ้นหายสัมบวดำอย่างอื่นไปตัวถีบทัวเดียนไม่ใหญ่เอ้ยเพื่อนสมเบิลหาคอยจ่อยจับเนิ่นไม่ใหญ่อาหน่ำคาไฟก็อยู่ในเฮ็ดจังได้นี่บวเอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดไม่ใหญ่มาเปลี่นเนาะเสื้อเนื้อเสื้อใจกะจังได้หายจีบ้าข่อยโง่กะโง่ไม่ใหญ่เอ้ย ความหักความเพ่งบาปบุญมันมีดอกเมยเลยปอจจุบันจะไหนตะกรอนข่อยกรหลงเลยบ้างเสียเงินสามมื่นหาขอใจพอดีด้วยเพราะไงปัจจุบอนเงินใสมาใสบัตรใสบ้าบัดเน ชมบทแล้วสิมีแนวดอกแถมส่งละโยมป้าสองอยากรัวให้ฟังเลื่องนั่นตอนนท่าน เออมาฟังคำอ้างโยเมบุญมีมาตานตอมันโดดแข็นอยู่จอกก่อพาอปั่นค่อนบาต่อย ห, หัวลราพูดได้ดีพูดได้ชั่วไผ่ตากว่าไผท้องคำพูดได้ดำพูดได้ขาวเป็นเรื่องแล้วมาจา่าตาน ปวดวิจารเบืองรู้เจ้าศีลละรมความไผเทียงละเม่นผู้ใดน้กกอเรื่องละยมเจ้าสีส่องเห็นเพิ่นวาวันน้ำอ้อยมาแล้งหมดมาตอมดอกไม่หอมอยู่ดีมทางผู้ยันกายต้องดมได้นี่เม่นใจขวางคนเถ่าผู้หลงลืมน้อใจเปแะละเน้วคนเถ่าดุนเมียตั้งสติบ่อใดปันไฟใหม่นั่นป้า สังหวนและเปลียนเรื่องจริงนอรวนรวนและเป็ียนเรื่องจริงนอรวนรวนผู้เขียนพบประศพมาบอแม่ต่ำต่ำราเป็นเรื่องจริงดอกทั้งนั้นและส่วนตัวฉันมาหาเจ้าเกิดเหมือนเมาจนหนาดาและเพี้ยบุญมีมาห่วงนาอยู่ที่วัดเท่ๆเป็นอย่างเจ้ามาสั่งทรมาสั่งทม na yeah. ละเฮ็ดบอดีอีกซ้ํายืมเงินผานันเงินสวงชันกระงงคือกันเพื่อนเอาไปเฮ็ดอีหยังนานะละยืมเงินไปสามเหมืนหาว่าสิสวงดูกสาวเรียนนะละนี่บ่ทันพ่อเดือนกระแดนมาดอกเยืมซ้ำนะละถ้าโยกใจกระมายำได้ยินคําชาวบานว่าละเมีบบนมีน้อเยืมเงินสองตั้งสามเหมนหาไปร้อ น้องใบบ่าใสห่วยผู้อดาสวยจำฟันไายละเสียได้เินเที่ยวสนเป่าหอยเดิน นี่น้อโอ้ยพวดเงือใจน้อควังผู้เฒ่าสร้างใจกลามบอกวงดังอ่ะบ่คิดเห็นตั้งแต่ขังมาอยู่ไม่เอาใจส่งเดี่ยวนี่ดวงเลือหมดส้ำหมดขั้นดอกกัดเนื้อละบ่อมีเดือรอข้างความบ่ดีคงสีสาบบาปเด้อบุญน้อบ่คิดพ่อยังหาได้เข้าใส่ตัวนี่ละน้อต้นกว่าคติภากดัคำซ้อนเป็นน ท h อนเจ้าหัวลานจันสวีใช้ผัว่าขอนมาเติมใบและเป็นคําไขแข็งต้านโวหารคดีโดกมดในโจกโดกฝ่าพงบ่บาทดอกรังฉันและอวังจบภาควันวันที่สอกโซกาและท่านมหาโดนลย์ายมีตมอีกที่แล้วดื้อว่าและโยมเอญโยมและโยมเอญโยมค่อยฟังไปในตอนหนาไพ สิเป็นจ้งใดเนี่ยหลักอยว่าดนดอกโ้มแม่เอาละน้อขันซัมนี่พอดีแล้วเสียเสลร์อวงสันดอกนั้นละสาธาละโยมวัวง่ะวัง่ะ บนมีเอ้ยเอาละเอาละขั้นเจ้าวัวไหอัตมากับวัทกบัเทียงน้าเจ้าดอกขั้นเจ้าว่าเอาเจ้าเอาไปแล้วมันมีความสุขอัตมากับวัวว่าแต่ว่าเจ้าจะสิมาหายมาลาพระอยู่นี่มันสิเป็นบาปเป็นกรรมติดตนติดโตเจ้าได้โยมเมยไปไปเมื่อเมื่อนี้สิไปใสกลับไปบดาจอกมาลาะไรไปอยูดอกก็ได้กลับไปแน่นอนดำเนี้บปอยู่ใด ด่านบาตนี่ตามได้จังหันใจอยู่สาหันใจพูริเจ้าเสียงให้เขาแกเขามาเออกาศิวะมุมพระคือเก่าขนาดเจ้าย่าสิเว้าได้ถ้อโยมเมื่อืยชีวิตของเขาก็ต้องเพิงพระเพิงเจ้ายญาศเวาจังสั่นเอาละเงินนั่นขั้นเจ้าเอาไปแล้วเจ้าวัเอาขึ้นมาให้อัตมากับบวายังเตวาโยมเมียดืมเน้อคอยบอคอยลืมเจ้าสาบศรสาบานไว้ว่าจังได้ครับอันสิ้นซักชิดครับตนครับโตเจ้า อาตมาโบไห้กับ่บเอาดอกไปเมื่อสายโยเมขันว่าจังสันข่ยบเคยลืมเล็บกัข่ยบเคยยานแต่่าไข่เชิดได้แหงเดียวเชิดไย้ยังเชิดไดหัวปะทูเข็มไข่สองหัวหัวปะทูเข้มสองหัวตัวกับโบเต็มยังสิมาเชิดไดท่วงนั่นท่วงนี้คือโบเคยเทนเน่โบพริกโบเคยเปื่อยเปรหลยวเข่าน้ำพักหนาทรงสุวรืณ พักนั่งอังหยาเสียนตอนหนาปลาตอนตู่เขาเสียนหักพักเสียนนึงข่อยน้ำมาชงเจาเออ้าฝนตกแง่ๆข่อยกักห่มแม่คือมะคือเห็นข่อยแนย่บัดซ้ำเมินหขออ่อยกบขึ้นพ่อเม็ดข่อยโบมี่เน่าสีซอยเจ้าซอยจนเบิดใหม่เบิดมือเอาละอันโยมเมย์บนมีอาหารการพบฉันนั่นบ้าเจ้าแม่บ้าขัานชิเป็นจักเป็นเนี่ยฮัวะปม้อปะทุข่อยออกเดี่ยวนี้อ นี่แล้วไม่ไสท่าหัวเต่ากะไรออกกระดาษเขาท่านแล้วก็จมหาจมยงกระชังคอยบดฉาทาแล้วนั่นเอาล่โยมเม่อาหารการกินนั่นอาตมาสันเข้าไปแล้วมันคื่หนโยมเม่ว่าใดดอกหักออกมากว่าดอกแต่ว่าหากก็สิหกย่อกแต่ว่ามันติบออกทังเกาออกทั้งใดฉันน่ะีล้วจะจะเคือเอาแล้วไงแล้วตัวมันออกทั้งงาใช้ไดไปไป เมื่อจะมาเบาอยู่นี่มันเป็นแจงสีตัวนี่ไม่ออกบ้านอันนี้นอบ้านอันนี้แนว่ยนี่สํมพ้อหาผู้ศิลุวัดอยู่ว้ากระบบมี่จักองหลวงพระประม่าเบาตอจะนีไปสิบมาเหยียบอีกคั้งที่อันวัดนี่ตายก็บยยยะบบตอกมะเผาผีข่อยเด้อผาเซาไฟดอกเผาบาดนี่ไปเมื่อย่อเมื่อก็เมืม่อข่อยกับศิมาศิบอยู่เกันสิ่นีจากวัดนี่คือกานมันบดีบวชหายขาดตอนนี้ โยไปกับบ้าข้ามบ่คุ้นบ่มีบุญมีผลาญอย่างตรงนี้แล้วเจ้าปิเครดไปเออ๋ยวไหมบ่หายเราก็ได้เขาพ่อ่อยว่ากดีกูเงินท้อก็ชอมาใช่อยู่กับบ่หาย่อยยืมหาอีกอย่งใจจืดใจดับบ่คือเทนไม่ออกแม่ตนฟูฟูมีความถูกความหลอนอาัยบัจจิมาเพิงพระผัดลายเขาเออบ่หายเพิงกับบ่เพิง พู้ฟังเอ้ยวันเวลาได้ลวงพายมุนไปปันหมากปินมานุดโลอกในแผ่นดินวัตตะวนจองล่างสังขารได้ลวงลย่ยย้ายบุญมีได้โอดโอยโลกพญาตได้มาถึงย้ายตะลึงตกใจแถบสีสีสสพระสินเกือกน้ำดินน้ำหญาสะพางกายเจ็บไปทั่วจ้ากำยังดอกพี่นองดูเอาดอกถอนแ ม, ม่กโยม เอยเป็นจังเป็นเนี่ยคอยชบะได้กินข้าวทางหนาชติที่หนเนี่เอยมาชางเป็นจังสี่ท่านนะคอยเป็นโอ้เจ็บน้ำหูน้ำจตาหรือเบาหวานคอยขืนบ้าเดือนบงังแลลวาคอยรืมไปหาหมอกันนังบ้าเจ็บน้ำคอน้ำข้างแม่ใหญ่เอย้อย นทองกับคือจังบะได้กินอีช้งกับบาแน่เอือรืออือรื้อคือจังปานน้องผือดรอตบะมิเต้าบอดทองกับไข่เพราะทองชีขีกับบ้าขีสชีตอดกับบ้าทอดเออเออหยาดจะตายอยู่เดีบัดฉันเดียอ๋ออีฉันเดีมาบังคุณ เจ้าเป็นยังไงเจ้าคือเสียงที่สั้นๆแม่กูเป็นไข่เจ้าไปวัดหรูหลายม้เจ้าไปติดไขโลกวัดนกวัดต่างๆวัดตีแม่ไขวัดนกห่ามึงมาจะใช้กูเป็นไข่วัดพระเอาแม่กูผไปกับเียนหลายไข่วัดพระบ่พี่เราบ่เคยได้ยินจักทื่อ่บ่เป็นไข่วัดพระจังไรพระดากู่ปรันเอากูก็เป็นไข่วัดพระเนี่ยจ้ะแม่ วันนีพ้พ่ออยากไปเจ้าไปยูน้าบ่อปานสีเขานาน า, นาเหล่าจ้าจีจาวะท่ำบุญหาแล้วจักเธอจิมะอยากได้กูไปยูน้ำยังท่นนีตายไปแล้วก็ตายไปหลอดเพียงกูบปเอาผัวมาเอกระ บ, บุญหวนพอตายจีมะอยากได้กูไปยูน้ำยามยูไปผู้เดียวก็เป็นยังเมืองผีเอื้อแอบผู้สาวไม่ห่างนางหมาย จังทอยากได้กูไปโยนน้าเทิงกูเจ็ดแากูกระบาทั้ทอยากใต้เด้อนานงนางเมียาแม่ไปอนโน้ไม่เนีอน่อันโไม่ใส่เมียอันน้ำไมอันนไมอัไม่ตีจ้าเพื่นบ่เปิดเราเพ่นีแล้วมันคำเราเมียคำเด็ดจ้าเอาจังที่สาแม่ไปร้องบาลครับบ้ากูม่ไปร้องบาลกูชักนัา ง, ง, <ม>งพันยาบาลเมื่อกูบ่นเ้าตำรวจกูยังอ้า อี่แหละหนังแม่เอาจังซี่ลูกเอาจังไรแม่เอาเงินก็กรต้าหมากแม่เนี่ไปซื้อยาท่านใจมาให้แม่กินซื้อยาท่านใจเออแม่ฮโลกคือเจ้ากินยาท่านใจเ่าเศ้าดอกกินยาหนังฉันอาจังซี่ก็คอยเจีเขาไปตลาดดอนกลางนี่เออออาวไปได้อียาคอยจะไปซื้อยากกำลักโซนมาให้กินฮะซื้อยากกำลักโซนมาให้กินยากำลักโซนยา ยาหนังกูคือบเคยไดีย๋ยวนชซื้อจักเชยายีา่ห้อนี่ออกมาไหมแม่คนบัท่านไนโฆษณนะาฮะคนบัท่านไนโฆษณาเฉพาะดอกกูดอกบ้าหูหวกบ้านี้แม่จ้าเขาขายเป็นลือดฮะขายเปลีนยนเลือดยาแม่มึงยังสิขายหลายเถื่อนหนึ่งเลือดละลอยหสิบแดต่แต่สิมีเงินซื้อขนาดอยหาสิบแม่ฮะซ้าเจ้ากินเครื่องเลืดว่าต้องผสมน้ำจ่าย บ, บ่อเหมือนแป จังไรจังใจกูกินเพียวๆ เ, เลยก่ำ <c ười> มอกชนกินเครื่องลิดมาต่ตองะชมนม้มก่ำมอกชนอยาขาหนาห <c ười> นังแม่เ <c ười> <c ười> จ้าไปหนังกจมาห้องดังทเยียนนี่แม่ <c ười> แย่งมือ จังไหนจังที่ไหนกูกินยากระมอกโซนกูกเลชะมองเท่งเท่านั้นตัวแมขาพเนี้ยท่ายท่องไปในตแล้วกระเล้วกู่กูปกินมังอยากมั่งก็กินเองมั่งโหลดคอกินบ่ได้เพื่อจังหวนเรียกอิษกินได้แต่ยาดกูบอท่านอยากไปอยู่น้าพอยลีเลยกูบกินนะเจ้าว่าเจ้าเปลี่ยนใครข้าเคี่ยงคือเป็นอย่างจางังสันแม ชักน้ำมาก็ะเหยยืดยืดจุกหุ Why, ma, ่นังใจกูออกบ่ชัละควยหนาคอยบ้านคักเนี man, ่ยว้ายนี่ปากก็คือโป๊ปป yeah, ูเ UH> ป wow, right. ื่อยๆจังๆบอแม่กูเคี่ยวหมากปู๋นกินปากบอแม่เคี้ยวหมากดอกแม่ปากเปื่อยว่าชันน่ะนะเรืออัดก็มีบันนี้ว้าวแต่เรือดกูนะ ว้าข่อย่านตายคคบลยไม่แกเลยอมายแลนี้ไม่ใช่มึงกลับไปแล้วบอกกันกูตายวันนี้แม่แม่ปากตากูเห็ดคือค้างแค่ข้กูเห็ดบอกคือกับปากกูเฮ็ดบอกคือบอลแม่กี่ค่าคขีนกี่กันดีนเมื่อเไมใช่มึงกับไปแด้เดี๋ยวมึงเห็นบอนี่กูฟาดเพื่นี่าแตกกันนูเดยอีลูกอับปอีลูกจังไ เป็าาบะเบงกูแล้วก็นังมาเฝ า, าให้กูตังๆ น, น, นะ่นะจังสีหละพ่ อ, อยายคิดตลูกมันกับะเบงบอลเล่ขเท่านั่นบะตายป้ข่อยก็ชิคายยุติข่อยแบาผัวเมียเท่าช้องเท่าน้ำกันเท้านิ้วข่้าบวข้า กินหน้าบ้กับมีแหวงเลยเดี๋ยวนี้คิดตลูกมันกับที่หายใข่อยตายเอเป็นขึ้นมาเถินนีบ่มีผัวทีมาเบิงเดแหมอยากอายแทบบ้านแต่เมื่อขึ้นน่เจ้านัจะเป็นข้างบ่ขึ้แบบ้านแตเมื่อขึ้นมาค่าทบบ้านดอนกลางเพื่อนไข่เพื่อนปลวยก็ม่ว่าคือข้างบ่คือเจ้า บักข้างนะเพื่นบักเจ็บกูเจ็บันกูเหยวหยอดใช้สินเพราะงี้เฉันน้องเตียวกว่าอ่ไหมะี่บ้ามันบ้าไม่ใส่ดิมบักโจ๊กได้เพราะสิใส่ดิมมัน มันจะไปใจมันก็ไปโหลดมันจะจบมาหวังมาไยน้ำกู <laughs> มันบอกนะจันดีลาเห็นมันน่าเก็เจ็บป่วยจากเป็นสอกหรือแม่นสวยป่วยอย่างแบบนี้บอกใค้พ่อกระาังเจ เฮ ล, ล่าแม่พวโลวดเต็นโดดที่ดองโซ่เก็บลายโซมเอากายมันดาขึ้นตัวขึ้นแสนยากเอาทั้งยาอาหารข่าให้ยมันดานั้นกินมา เดาจึงนั่งอาจิตานตาหักคาเมก็ไว้จงขอให้สว่งแสงจรดสันเมจฉัเจ้าของเจ็บปวดทรมานลุต่อน่ดิมันได้ฉลาดไววบอกเครไทย ตาเลือดล้านขางหองเทียนมือพ้องขากระสันเจ้ายังป่วยบ่เถืองวนนาจะจันเบืองบ่ได้มนเปลนใครเรือียงฉันดีน่งจูกจังมาฟังเบืองมมดตน้านอนดีนาล ทนัวกข์งแมนอูกใจห่างานบ่อขายของข้าทั้งซอยของบ่อปู ขอบเจ้าขีดวางล้วยตกปีต้วยหาบอนแก่กะเลยแย่ช yeah. วนเจ้าค้องเอิ้นหายาติพี่น้องมาซอยเบืองบอมีไยน้ำตาลายเลีนะนน้อง ห้องให้น้ำมมนดาเกะพอก็ะตายไปแล้วอย่างมมนดาสิมาเติมน้ำตาลงไหลเสื่อมตาจินใจออกจากบ้านไปหาบ้านแลีย ไปถามเมืองอยู่บ้านป่าเพื่อนบอกว่าบอมีอย่างออกมาต่างโรงเรียนเอนิ้นใส่เสียนฉันยาจัง <c oughs> จันดีนางสิมาว่าวถามมาอยากไปปวัวแม่มีอ ย, อย่างบางเนี้ยเพราะที่เก่ี่ยแม่ได้แล้วผัวใครว่าอยู่เงา ถามน้ำให้เมียแต่คนเลื่อเอือนบอกว่าบ่มียาอานนีจะตีวิตเมียของนางสี่ยังบ่ไปดัวหมอหมอกะทวงเป็นน้ำดวงควงหมักยายเป็นน้ำแล้วนั่นปากไว้ว่ายังบ่ยับย่างหลังนาเพื่อนบ่ทม แนวได้เพื่อนก้าวหามแม่ก็ะบอกฟังคำมีแต่ต่ำไปหมดแท้จังได้บอกมีด้ตาชินใจคืนเมื่อบ้านถามมาหนาอีกเบิ่มก่อนถามอาความเน่นอนเรื่องทั้งว่าที่แม่ได้ก็ไหวนานที่แม่ได้ก็ไหวนั้นมันเป็นเรื่อง Lừa anh là na, em yêu. ไดแม่เป็นตาช่วงตาเศ้าบ่แม่มัดเจ็บมองไดมัดปวดมองได้แม่เออว่าเป็นตาเศร้าดักแม่ดูได้กินเพียนทั้งหน้าอยู่รักจันดีไปรอหาหยวกหายาได้ยินแต่เขาเบาคืนเจ้าแม่เขาว่าเจ้านั่นไปยืมเงินอันท่านมาหาบ่เอาไปใส่ไปย์ใจเขาว่าไปยืมเงินฟาเงินสงไปสาบวมสาบานไหเจ็ดมือเจ็ดบนคันบ่เอาไปตรงให้ปากเปื่อยปากพวกแม่บ่แม่ผู้ใดวะ ผู้ใดมตาบานตอนาานเบื่อบานแมู่บ้าได้ชาบ่ช้าบ้านน้าผู้ใดบาจะเชบคแบยูนี้แม่คานั้นเปลี่ยนคนันแมนคือเพิ่นเบาอีหลีก็ย้อมราบมาสาแมยย้อมรับแล้วไปขอคำน้าลาตรวเพิ่นมากระวงาดอกเม้อมเมีังงัูบได้ยืมูบได้ไปชาบ่ชาบ้านน้ำผู้ใดแม่ถ้าว่าคู่ยืมกู่ก็มีใบฉันยาตัวใบฉัญยากับเมีน้ากูก็เสีดเนี ขันเจ้าบ่ได้ยืมปากเจ้าคือเพื่อนมันคือเปลี่ยนคือข้มเพ่นเาเพื่อนมาถึแ่คปากเพื่อนกูใช้ปูนหลายทชื่อดอกแม่บ่แม่ดอกแม่ันเจ้ายืมเจ้าจากกระย้อมับมากกูบดานบดากูบาดานั้ใกูบานจะได้แย่งเมืองไม่เมืองจะไปที่ไหนมื่กลไปได้เดียวหนึ่งก็อารยกับน้อนไข่น้อนเก็บนอนเปลนอยนยุนีตายกูจะตายพูดย่ำบ้หยังกับบ่ฟังเมอก้นี้ไปแย่ก็ไป่ร้องไปหาหยวกหายาเอี้ยกน เอาไปดีเดียวเนี้ยเอ้ยมันคืป้ากูตายพูดเดียวเดียวนี่เอเอตายคับๆเดือบันนี่แหละผู้ฟังเอย่ยหลังจากดูกก็เม่เดียเถียงกันแมก่กับเที่ยงดูกบลงรอยดูกพราะว่าถือว่าเป็นเม่มีทิฐิสูงโมฟังดูกฟังเต่าด้วยความหักขลองดูกคลองเต่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เม่แต่ว่าจิตใจใะวันนี้อยู่แต่ว่านา่งกลไปหายุคหายามาเฉยเมยกิน ไปจังใจดจนตะเวนแถาคำไปจนเมิดจนคำจันดีก็ยังบวชท่านใดยาอยู่หายังบวพผอบวเห็นระบาดนี่ก้าวถึงเมย์อาญายบุญมีคณะที่กําลังเจ็บกำลังเป็นอยู่นั่นใจสิรุษสิขาดที่ท้นที่ถาดเขา่าวดสิบันชุดถ่ายแล้วก็เลยคือถอดดกสาว่าไปจังได้มาไปเมิดไปคำบวเห็นกลับมาสีเห็นหน้าเมย์บวชดูเอ้ยไปจังไดมากถอกหายุคหายา โยมเม่บนมีหรืยว่ายาย่บนมีนั่นนอนเจ็บนอนป่วยอยู่นั่นค้องค่อยดูกสาวจนเมืดจนคำหลังจากหั่นแย่ยบนมีเพิ่นสิออกเอ้ยเพย้วว่าจา ว, วาจังใดตอดูกสาวข้องเพิินท่านสาธุชนทั้งหลายจงรบฟังใ น, นท่านถ้มสืบต่อไปเถิดท่านสาธุชนส่วนวมาบนมีย่ค่อยลาลคอ สกวจนวบไยงก้อนเอาลายเข่าบ่ตัวขวท่งสาว้าหันามกะบอเห็นพู้นึ่งสิตายอยู่นักมาหัวขวันกันอยู่แบบนี้แม่แทนที่สิซอยสิหลือกันจะได้จา้าแม่นางหัวขวันเฉยแบบนี้ และคือหัวใจสิ้นเสียแทนตาสามีบ่เห็นรู้เรื่องทั้งทวนพระบุหาเรื่องบาปกรรมได้น้ำเือนจอ คมของนอเบลของนกองคขอนอและแตงบานเพล และพ่อม่เอื้องขันสิตายลีและขันสิตายลีให้ลูกมาสากกันและพ่อได้สั้งลูกหน่อยเห็นหนงหางบ่านาตาย การเดินเจ้ายู๊ดลเรยึกจู๊ดใครฟาาคนฟาคืนมายี่หางไม่ใช่ใครอย่เอี ขอบบุญขอบคุณด้อด้องเอ้ยซอยข้ายาดบ้าเอ้ยซอยข้ายาจังไ น, นโลกหนึ่งสามชิบผุดดวเอ้ยอายุหมนันควันเงินได้จะเจียบยับวยคือข่อยด้วยเอ้ยอาใจหละกกอน่อย เห็นเงินเช้าแล้วลงหอดกรบบาทนี่ละมาแบ่งใจของมมั่นดากวานทอด้วยตัวฉันปวดเป็นแล้วอยู่ในสวงความหูโค โอ้ยบาจ็บคอยบาดเจ็บแย่ ง, ยงบางทีแทงเสียดสว่วงแต่บางครั้งทังอุ ท, ทธร์เมีบุญเ ม, ม, มียจนวัดตัวข้ามาคามยินเสียงส่งมาถึงหัวบอกว่าให้มันตายไปเลยไปเลยจะสาวมันไย เหลือใจเดี่ยวมิแต่รัเหลือใจต้นเป็นคนซืนโอ้ยควาสิมาหัวตัว ซัวกว่ามาเม้นกว่าขีกูนี่จังเม้นสมและพอแม่อึ่ยพระพันสอนพันหลอกตนมบ่สมเสือว่าบุญมีอันคุณงามความดีที่ก่อําบ่เต็มลอย ลลาของตัวเอาไปหน่อยบาดเอามาล่นกะตากเขาแหงผ้าพันตากไว้ก็เอาเกียงบองให้เน่าเฮ้ยขอยกับ่าะเอา ม, มาเกือไก่เชื้อชือดอก <laughs> โอ้ยเอาใจส่งส่งเพลเขาะระวังดอกเอาเงินของเพื่อนและพอไม่อื่นบ่เมืนกันบางอื่นและนํำหวยบาบ่ามันพาค่อยนันทวงใจยืมให้เืือหยาบบ่ พูดนั้นก็ให้ยื่อยาพูดนี้ก็ให้ยื่อยาป่ว ย, ยแม่นเ บ, บ็ดปี่ใชปะเหรอ โอ้ยสาธนเดือความบ่นคนของพ่อละละองส ม, มะพรท่าเจ้าผู้เป็นเ ข, านขา้าสาสดานมผู้ขาดทำสวาสจืดละบ่อนยอมลําคู่อันเจียงเกิดเป็นเล้งเป็นหมาหยอย่างกะกะโยมออันได ตายแล้วล่องไปใหม่อบยัยภูมมพึ้งตามพรมิพทันสันทมสวาสะกว่ามาเหยนหย่อนเปลี่ยนคำนักและคอยลูกสาวจนว่าคำตาบ้านคำบ่เห็นกา <c oughs> จันเดีย ไปโดนน้ำบ่ยอมกลวงละเลือไปล่ลงอยู่กลางป่าป่านี่บ่เห็นแม่นะละละ้อจินยาจนอ่อนล้าละเอาผวนกระจาย น ó i lớn đàn tháng tiết t ้ y khền bạc nhai trân hoang hàn hoang ốp ổi khoan k i à u đ o ạ n g b l đ o ạ i ê n nhân l ỗ là l ỗ Bờ để sang hoạt được chậu k h t à cả tài bờ l ấ tài thổ lũ. การมืองางเมียว่งจางแมียเว่ แล้วเลยม่ใหญ่ใบบานี้มีแต่นอพนจังวาคนบมีศิลมีท้ำคนบมีคนงามความดีบัดตายไปกับขาดพีขาดหนองขาดผู้เบิงผู้แลแเมเตตรุกสาวตัวเองก็ยังบไดเห็นหนา้าบไดเบิงกิดบเบิงใจย่อมพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยจังวาคํำสุภาพศิลพันบอกไหวาวา กรรมโมนาวะตะติโลโก้ซัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมภัยถ้ำจังไลยกระไดจังสันถ้ำดีกระไดดีถําซัวกระไดซัวถ้ำบุญกระไดบุญถําบาปกรไดบาปกรรมเป็นข้องเฮาอ่อยต่อยยมพอยยมแม่ดีดื้อชัวกระตีตัวเฮาจังสันลักหลังจากนั่นดวงวิญญาณของเท่าไม่เท่าบุญมีก็ตกไปสู่อาเวจีนรกหมกไหมเป็นพ่อปากไม่กลัวบาปคำหยาบหยาบที่ว่าพระ ไม่อาจาเอาชนะเพราะผลกรรมตกยามขําฝ่ายจันดีผู้ลูกสาวทราบเรื่องเราเมื่อมากลับมาถึงบ้านแสนสงสารในชะตากรรมพ้ำลำพันธ์ในดวงฤดีสาวจันดีมาถึงบ้านแล้วเห็นแม่ของตนนอนอยู่นั้นนางจะออกเอ่ยเผยว่าจีว่าอย่างใดโปรดน้อมใจและฟังนิท่านถ้ำเรื่องปากบอกหูจักบาป มีก่กาบบ่อหูจักหอเชิญยมเม่พ่อฟังต่อมือนมืวานผู้ขาจันดีมาถึงบ้านเบิ้องเฮงจั น, นมีจีรีเฝ้าไปเบิ้งแม่ทันทีใจบ่ดีแต่จากบ้านกับทางย่านเม่บ่หยางแม่แม่ มตายดียวมองเห็นเมตาคางเป็นอย่างเมตาตาใบน้าแข็งจับน้ำคายีเมนากวาดย็นาจนขามเบิ่งใจมันได้อยการเมื่อน้อง เปลี่ยนเลยแต่เปลี่ยนเลยแมตายจากลูกน่อยบ่อคอยให้ลูกเบิ่งใจจันดีนางได้นางหายอะไรแม่แต่เปเล่าล้ นางปาน้อเมือ่อนูบอบกับกันมาดาทายแม่แางตายไว้หาน้าแม่ตายบ่ได้ นี่แหละน้ออานิจังขอหนาวเป็นทุกสำกกรรมเอ้ยเข่าพา ก, กันขานเจ้าเป็นแม่ห่างอย่างมีภูแมาพาดบาดบ้านดาของฉันตายหลอดบอมีนอกว่านรับ ต็กลางขืนที่ดูหน้าไปเดาะน้อยทคือแก้วขั้นตอนแม่ขั้นตอนแม่ขาดผู้เบืองเหลี่ยวแล้ยงผู้เดียวโจโกโนอยหายในสั เอนหาผูวโยคอบข้างเพื่นกระ บ, บอกสนใจจะเพื่อนซ้างแนวได้อีแม่ฉันแต่ข้าวกิน <c oughs> แม่เ อ, อ้ยแม่เลือกเจ้าไปเปลนนื้ยืมเพื่นมาบ่ได้ซองยืมเงินผ้ายืมเงินซองเจ้าบ่มีที่ซองให้กำให้ไรจะนอง เลือเล้อยไล่ญาติขาดพี่น้องมาซอยเบิ่งเหลียวและตังวงมแจเบาหัวซาเวทนามมนดาเงินแม่เก็บเอาไว้บ่มีเลยแม่แต่ น, อน้อยไผ่เด้อนอตีมาซอยงมผู้นั่งอยู่นี่มีบ่ที่ซอยนะ ขอเมตาเอ่ยอ่างพ่อได้แต่งกองกุศลจอยค้นจนจากงานศบแม่บุญมีดอกสีฟ้าเสด็จมาทำบุญส่างกุศลทานขันปล่อยว่านต่างทำบุญเป็นทานสื่อลงใ่แม่คอยจะดีน้อยย่าปล่อยว้าน บุญกุศลในเทือยนนี้ที่ย่อมอบให้ย่ายหมดพวะที่ใจงามงดเลิศวิไลดอกป่านแก่พวะเป็นฐานขั้นไปแล้วให้ผลบุญขนหุ่นซองขอให้สมแปาสองเด้อขั้นมูญญาที่นองงอออย่ามน thời xưa bà anh là đờ cả n h ỏ mây kia